เพื่อให้เราทั้งหลายได้แสดงขารวะคือความเคารพการเคารพก็เป็นมงคลในใน ม, ง, ในมงคลสามสิบปดระการค <c oughs> ารวะจะความเคารพด้วยก็ได้มารวมกัน ในสวดธาตุเพื่อให้คุณเสียนที่มีความป่วยด้วยพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าธาตุทำไมธาตุดีขึ้นเป็นอา ป, ปาูธาตุ็ออภัยวาโยธาตุ ธาตุลมทำไมธาตุลมไม่มีพุทธคุณ่ังอิติปิโตหรือว่าอารหังพระพุทธเจ้าหมดคดเคี้แล้วเรานำพุทธคุณเข้าสู่ใจทำไมใจของเรานั้น คหรือเป็นอุบายที่ขับไทยความไม่ดีที่เป็นโรคภัยให้หมดไปสิ้นไปเขาเรียกว่าหมดกรรมส่วนเสียเพื่อบาเพ็ญกรรมส่วนดีเรียกว่าบุญญากรรมเพื่อเป็นบุญญาปิสังขาร บุญตกแต่งให้ร่างกายสมบูรณ์โวยธาตุทําไมธาตุนั้นสมบูรณ์ว่าอยธาตุทําไมธาตลาาุลมเดินทั่วเส้นประกายลมเดินทั่วเส้นปรกายขับไถลมที่เสียออกจากล่าง ออกจากร่างกายแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดลมภายนอกเข้าสู่ภายในเตตันตัดว่าลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกพระพุเทธเจ้าก็สอนสาวกในสวด เพื่อเป็นอูดาเป็นอุบายให้ใจของผู้ที่ได้ฟังนั้นเป็นใจดีขึ้นมาธรรมะคือคุณของพระพุทธเจ้าเห่นปัญญาคุณเข้าโลหลอมจิตใจให้จิตใจนั้น เออบิ่มในความดีทำให้ใจของเราเต็มด้วยความดีเป็นบารามีอันหนึ่งเหมือนกันเป็นปัญญาบารามีแล้วโอกาสที่เราด้ทำบำเพ็ญทานเขาเรีทานบารามีเป็นสมบัติของเรา ที่ทบบุญนี้เป็นสมบัติอำนวยคือความสุขทุกภพทุกชาติยนหมดหมดบาปหมดอาจจวยบุญที่สุดเป็นพระอริยมุขคลคนเราบาเพ็ญความดีติดต่อกันไปยกภูมิใจของเรา เป็นพระอริยบุคคลได้คำสอนของในต่างศาสนานี้เป็นคำสอนที่คงที่คงว่าคงสอกให้เราทำในใจโดยแยบกายใช้ปัญญาจิตลมบำเพ็ญทานในรักษาศีล ทำให้กายของตนมีศีลขึ้นมาดินลงบำเพ็ญทานในรักษาศีลทำให้กายของตนมีศีลขึ้นมาศีลนี้ป้องกันภัยท่านไขความไว้อย่างนั้นครูบาอาจารย์เพราะเป็นศีลอเบรมีขึ้นมาในขั้นต้นพื้นฐาน ของความดีข้างต้นเป็นต้นทุนเหมือนเราลงทุนการค้าเราไม่ต้องทุนจะได้เพิ่มได้กาไรเพราะเรามีศีลขึ้นมาชีวิตก็จะยืดยาวแต่ในปัจจุบันกันวดไปถึงอายุไขมันสุดวิสัยของการแต้ไข่แต่บุญนี้นำชีวิตของ นำดวงจิตของตนไปไปสู่พบใหม่สร้างร่างใหม่ทำให้ร่างนั้นดีประดัประับจากโรคาพยาพิเพราะบุญที่ตนบำเพ็ญไว้ในปัจจุบันนี้ในชาตินี้และเราทำจิตใจให้เข้าใจ ในอารมณ์บางสิ่งบางอย่างคือจิตของเราโกรธฉลาดขึ้นมาที่เราทำสมาธินี่ทำให้จิตของเราฉลาดคมคายตัดได้อะไรไม่ดีมันตัดได้เหมือนนายแพทย์เขาตรวจตราพิจารณาแล้วถ้าแก้ไขได้เขาก็แก้ไข นี่มีสาของนายแพทย์มีสายของความดีคือบุญบุญนี้เข้าไปแก้ไขเพิ่มบุญขึ้นมาเพิ่มความดีขึ้นมาองค์ของภาวนาคือทําจิตของรมอิจฉามองเห็นความดีที่ทำไว้ความดีนั้นรอรอมจิตใจให้มีพลังขึ้นมาพลังกาย พลังใจในอินทรีย์สองความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนของหน้าที่ของหน้าที่นั่นๆเห็นหน้าที่ของตาเราได้อบอรมศึกษาเคิสติปัญญารักษาวิญญาณทางตานั้นเห็นประโยชน์ ของวัตถุต่างๆที่ผ่านทางสายตามีคุณภาพกับชีวิตเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตให้อายุยืนนานในตามเหตุการณ์เราเห็นเองเนดะวงตาหมาบวัวกสวาก้าตูพัควาตาธโมพระธรรมอันกะกูเมีภาคตัดไว้ดีแล้วดีดีอย่างใดก็ดีอย่างนั้น ดีที่ช่วยให้เราตั้งายพ้นจากทุกได้พ้นจากทุกในปัจจุบันในพ้นจากทุกในพบน้อยพราะใดความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาแต่ว่าเราทําความดีก็สามารถปัดเป่าความความทุกข์ให้มันหมดไปสิ้นไป แต่ความทุกข์ที่ถึงอายุไก่มันเป็นไปตามสัจธรรมในหลักธรรมเขออาเรีกอริยสัจจีทุกข์ทางกายเขาแล้วทนไม่ได้ถึงไง ห, หมอเยอ่ยยารักษาให้บุญกุศล ช, ช่วย เสริมกำลังกายกำลังใจเพราอฉะนั้นโรคไปท่านบาเมอนีิเรสท่านว่าอย่างนั้นธรรมะเป็นยารักษาโรคกายโรคใจจึง ท, ทำหาใจนั้นพ้นจากทุกข์ ในตูกกายเป็นหน้าที่ของนายแพทย์และเป็นบุญเสริมด้วยเป็นพลังสองพลังเช่นกำลังกายและกำลังใจกังจึงปักเตือนสั่งสอนให้เราบำเพ็ญภาวนาการบำเพ็ญภาวนาเราอยู่ในเวอิรยาหมดใดก็ได้ เพื่อทำใจของเราให้มีธรรมะคือสติส ต, ตินี่เป็นคุณธรรมอันสคำสคัญหรือบางเองทันเดงว่าสังวรธรรมทาเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายอันตรายต่างๆได้หรือสันตีธรรมธรรมคือคือสติได้ควบคุมจิตของตน เลือกอารมณ์ได้เลือกสิ่งที่เป็นคุณภาพกับจิตใจทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นมามองเห็นบุญจึงเราสร้างบุญเสริมชีวิตให้มีความอยู่ดีไปดีมาดีท่านเรียกว่าปุญญาปิสังขารตานะติต่บา่าวสติธรรม หรือในอินทรีจักอินทรีคือความเป็นใหญ่มองอะไรเห็นที่เป็นมีคุณภาพกับร่างกายและจิตใจพอกำลังใจดีแล้วใจมีความสุขใจมันแสงสว่างเป็นพลังอันสำคัญมันคลายความทุกข์การจัด ตัวกิเลสตัวกิเลสเป็นในเกิดความทุกข์ในพบน้อยพอบใหญ่พระวยนั้นพระอริยบุคคลตั้งต้นในพระโสดาบันท่านถือเด็ดขาดมีสีนหน้าเป็นพื้นของความดี และมีความเข้าใจในสิ่งที่ในกายของเราเนี่ยแหละที่เรา่าศัยกก่ให้กายนี่มีความดีรักษาไก่ที่เราแผ่เมตตาสวดมนต์เมตตาเมตตา ทาตุวรุธานุภาเวนะสัปปานุขาสัพพายาสบาปะโรคาวิมุตจันติขอยเราพ้นจากภัยต่างๆสัปปานุขาพ้นจากทุกสัพพายาสัพพยาพ้นจากภัย ทับโรคาพ้นจากลกูกทางตูมผ่านพาเวณัเมตตาชาเกเตนะเจตัาไม่ต า, า, า, ต า, าไม่ตาธรรมท ำ, ทำให้อยู่เป็นปสุขสุขค้างสุ ป, ปฏิอยู่เป็นสุข สุกั้งบริบูรณ์ก็เป็นสุขหน้ายิ้มเย้ยเจีมใสทำให้จิตใจเราดีรัศมีแห่งความดีแปล่งออกทั่วร่างกายรักษาวัยวะทุกส่วนง่ายควรเกดกันใช้นานได้นาปานปาบากลางสุปินังปัสสติไม่ในมิตรวันได มนุษยานังเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์อามุษชานังปโยโติเป็นที่รักขอ ง, องมนุษย์คือไฟดีมีกำลังห้ามปราบไฟพวกมิจาทิฏฐิเดวตาพระขันติ เทวดาคุณธรรมคือความดีที่ทำทนียอารักขาเทวธรรมยิโอตัป kind ส of ัมปนาสุขะธรรมะสมาหิตาสั้นโตสัริสาโรเกเดวะธรรมาติวุติเรามีคุณธรรมอยู่ในใจคือความความความละอายโอตัปะคือความเกงคลัวทบบา กุศลทุกนิดในจิตของท่านเป็นเทวนาขึ้นมาเทวเป็นเทวธรรมเพราะในธรรมะที่ว่าเทวธรรมนัจจะอากดีว่าไฟก็ดีอกดีไฟไฟก็ดีตัตราก็ดียาพิษก็ดีไม่สามารถจะมา เบียดเบียนประตุสลายเราได้เป็นลักษณะของธรรมะที่เรามาสวดธาตแล้วโถท้าทยด้วยเมตตามุขขาวันโนวิปัสสิ ท, ทีหน้าตาคอยโปร่งใสทวาตังจิตตังสมาธิอติแต่รเราบำเพ็ญสมาธิจิตมันสงบหรืครับดับอารมณ์ อยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งเวอยู่ในองค์ของฌ า, านฌานในภาวะความความไม่ดีที่เป็นสัญญาอารมณ์ไม่เคยขึ้นในดวงใจทำแม้นจิตใจนั้นผปงใสนี่เป็นหลักธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, างตรัสบ้านคุูบาอาจารย์ท่านสอนใ้เจริญ เมตตาธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจกขณะธรรมะทมส่วนที่เราล้อม จ, จิตใจเขาได้ปัดใจที่แก้ไขของร่างกายได้องค์ของภาวานาที่เราพุทโธมิตกตรึกอยู่กับ พุทธโธเรียกว่าองค์ภาวนาสติดกคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจเพราะลมนี่เป็นการบริหารกายเขาเรียกอนาปานัตสติเมติตีตามรู้ลม ทำให้กายมันเบาจิตของเราก็อยู่ด้วยองค์ภาวนาคือทูที่เราหาใจเข้าพุทออกโทก็เรียกองภาวนาความนึกเนี่ยองค์ภาวนาเดี๋ยววิจารณ์พิจรารณาจิตมันสงบระับ ดับโต ด, ดับความคุ้งสง่นหลายๆอย่างดับมีอารมณ์ปเป็นหนึ่งความโบยใจความโบกายเรียกว่าคุตตกาปีติในหลักธรรมท่านแสดงไว้คณิกาปีติชั่วขณะเมื่อเราทำแล้วผลคือความดีต้องปรากฏทำดีต้องได้ดีร้อยเปเน ใน้ง่พระพุทธเจ้าตอนจรัสไว้อุเพงคาปีติบางทีมันทราบสั้นภารนาปีติบางทีน้ำตาไหลดีใจสบายสุขนี่ก็เรียกปีติปีติโลดผล แต่ถึงอย่างใดท่้นจ่อนียให้มีสติคุมองค์ของปัจติทับทับความปีตีแล้วความเย็นใจตัวแสงสว่างปัญญาคือแสงสว่างถ้าพูดง่ายๆว่า กยานังอุตตปาริปัญญามันเกิดปัญญาขั้นโลกีปุปเปนิวาส า, านุสตญาณเป็นปัญญาขั้นโลกีเนี่ยแต่ถ้าบุคคลบำเพ็ญติดต่อกันไปความก้าวขึ้นสู่โลกอุตรธรรมก็ได้เป็นขั้นตอนของกรรมสอนในทางสาล เกณเราไม่สงสัยในความดีเนี่ยความไม่สงสัยเป็นเข้าภูมิของพระอริยบุคคลโยมโยมเป็นคารวาก็ได้เป็นพระอริยบุคคลได้พอกันถรงเง้นอีกขั้นหนึ่งเีืับปรตปรตะธรรมาะ ข้ปฏิบัติลหลายหลอย่างเขีนว่า น, นักบวชเนคขมมะบารมีครับนี่นักบวชเครื่องอุปกรณ์ที่มันขัดดวงจิตขัดเราวดวงจิตให้ทําจิตของเราผ่องใสมันเราอยู่ในโลกยังอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันต้องอาศัยปัจจัหยหลายๆอย่างมากเพราะหลักธรรมที่เราสึก ครับศึกษาไปศึกษาไปความเก็มแจ้งในดวงใจเองเราเพิ่มเสริมจะทาคือความเชื่อมั่นในอันที่บำเป็นความดีความดีนี้เป็นที่พึ่งของตนคนอื่นได้พึ่งเหมือนกันนะแต่เราไม่มีความดีอะไรเขาก็ไม่ไม่ให้พึ่งองีกเลก็มมีความหมายอยู่เป็นหลักของกฎ ก็าะทกจะสัจจะรเหมือนกันแต่ความดีที่เราทำนี้มันดนบันดาลให้เขาเกิดความสัมมาทิฏฐิเพราะว่าเป็นใ้เขาเห็นความดีในความดีที่เรามีอยู่และเป็นการยาณธรรมของหลักธรรมที่ตั้นตัดไว้ บุคคลบางทีไม่รู้กันเลยนะก็ามาเล่าให้ฟังไม่รู้จักมากคุณกันเลยเออคุณไปไหนมาไหนจะไปไอะไรดิฉันจะช่วยเหลือเปนี่นโดยที่ไม่ไม่รู้จักกันเลยเขาสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะฉะนั้นความดีมันดนบันดาลให้ความดีในปรากฏในบุคคลที่ใกล้ๆไม่ได้ช่วยกันนี่ ในการในบัดนี้ช่วยกันในการโกนปนกันคำสอนถ้าเราบำเพ็ญความดีจนปุเปนิ่าตานุติยานแล้วมันละลุกจาได้แต่มันก็มีส่วนมบียดที่ยังไม่หมดกิเลสเป็นสมุจิตไประหาร แต่เสื่อ ม, มันเกิดกันอีกเป็นหลักของกฎธรรมดาอะไรไม่เกิดิ่งนั้นไม่ดับจริง่ยังเป็นดับอยู่เป็นเป็นโลกเป็นโลกียธรรมแต่ว่าฝ่ายดีแต่เป็นโล ก, กุตรธรรมมันรู้แล้วความดีนั้นก็คงที่อยู่มนนความดีเป็นความดี ความดีนั้นเป็นบรไดขั้นขั้นต่อไปเทอดนบรรลุเป็นกสกิทาคามีบ้างอนาคามีบ้างพระอรหันบ้างเขาก็เดินไปหน้หนาด้วยวความดีมันเดินไม่ถอยดรอกพราะเขาเห็นแล้วเเหนื่อยก็พักผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยมองเห็นทางอยู่แล้ว มันแสงสว่างสองมองเห็นเนี่ยก็เดินเพราะการบำเพ็ญความดีในทางศาสนาความดีเป็นทำใหรสชาติของจิตใจของเราอรรถอร่อยขึ้นมาสัปปะระซั่งธรรมราโซรสเองธรรมย่อมจำนะของรสทั้งป่นไม่จืด รสอร่อยของธรรมะที่รสอร่อยของอาหารแต่เราอิ่มแล้วอร่อยอย่างไรก็ไม่ได้แล้วเพราะธรรมะเป็นอุปาการะแกชีวิตของเราทุกอบทุกชาติเพระพระศาดสดาจึงตัดสนให้บำเพ็ญภาวนานตัด ระดับฌานไว้คันแรกจะมีวิตกวิชารปีติสุขกดชะเย็นใจเยือกเย็นธรรมะคือรถหัวใจเราใจเราเย็นก็เย็นไปเย็นไปเย็นแล้วเขาก็เห็นเองเหมือนอย่างพระสารีบูทเทเลยเจ้าตอนปฏิสาบปริภาชอบ เห็นพระอาทิเทระท่านไม่ได้กล่าวอะไรยังไอยั ง, ออยงหนึ่งพอเห็นเนี่ยเกิดท่ารุ่มใสนี่พลังของธรรมะที่ท่านปฏิบัติได้แล้วหรือกำลังปฏิบัติอยู่เป็นพลังของธรรมะเป็นแม่เหล็กมันเพชแม่เหล็กี่ดึงดูดพุ่งกันเลยลน่ะ คนเห็เนเห็นความดีมันดึงดูดดึงดึงดูดจิตใจความดีนั่นเข้าสู่ใจของผู้นั้นผู้นั้นจึงมีศรัทธามีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาว่านี่เป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอย่างอื่นก็พึ่งวัตถุภายนอกเราเห็นอยู่ให้ความสุขทางกาย หาความวการดูดสบายไปไหนมาไหนมีมิตรสหายคอยสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่เป็นลักษณะของธรรมะกันโลกีที่เราจะเห็นปการะปะโรยโยมิตโตะลูกกาลูกโขจะโ ย, ยสาขายัางเห็นเราเห็นอยุยมเออเถื่อทุกข์เถวยอทุข์นี้เป็นความเป็นจริงเป็นคนดีขึ้นมา ผู้ที่ป่วยก็ควรพภูมิมใจผู้ที่ยังให้อุปาการะมีจิตใจเลื่อมใสว่าเราทำความดีความดีนีความรู้เป็นตรีะความดีเป็นตราเป็นหลักษณะของธรรมะใครจะแย่งกิงไปไม่ได้ครับของของเป็นของผู้ใดก็เป็นของผู้นั้นความดีเนียบนำชีวิตของผู้ปฏิพฤติธรรม ไปสู่พรอบน้อยพบใหญ่เพราะนําใจที่ประกอบด้วยคุณาธรรมดุ ก, กาดูโขจะโยสาขาอัตตาฆายีจะโยมิโตเออมื่อเรามาอยู่ในประเทศนี้เราไม่รู้ว่าไปไหนมาไหนเขานาเอาไป้เขาว่านั้นห้องน้ำเขานั้นจําอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็บอกให้อัตตาฆายีแล้วเขาชี้แนว่างเป็นอุปาการธรรมขึ้นมา มันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นหลักธรรมไม่เป็นหมันมีคุณธรรมตราติึประจำโลกยิ่งคนมาเจริญภาวนาเข้าแม้พลังเขาก็เลื่มอมใสเขาจิตใจเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรร ม, มแต่เราสือเราไ ม, ม่สามารถจะสื่อเขาเข้าใจได้เพราะฉะนั้น สื่อคือความดีที่เราพูดกันเข้าใจได้เข้าใจด้วยอาศัยครฟข้าสมาคมกันริงงรมบำเป็นสมาธิจิตพอที่สองลาวิตกวิจาร์ลาวิตกมีปีติสุขนั่งจิตสงบมีต้นทุนมีแล้วต้นทุนของสมาธิ ตัวปอนึกเราภาวนาพุทโธพุทโธสั่งสมเขาได้สั่งสมพุทธานุสติอยังครบพุทธาเปล่งได้ทุกวันทุกวันทุกสุปมุตหังบะมุตฉันติสดาโกตมะสาวกาเยสั่งดิวาจะรัตตูจะนิจังมุธะกาตาสติผู้ใดมีสติไปในภพุทธีเจ้าทั้งกลางคืนทั้งกลางวันผู้นั้นหลับก็งั้นตื่น ตื่นก็นมั่ก็ตื่นหลับแต่กายแต่ใจไม่ไม่หลับอีเป็นหลักธรรมทำเป็นเครื่องแต่งให้จิตมันตื่นรักษาจิตใจของตนให้มีความปลอดภัยได้เป็นพระธรรมพระพุทธ เ, เจ้าแล้วพระพุทธ เ, เจ้ามีคุณเยอะท่านปรารถนา ทิพยจกักขุตาทิทซองทิพเนศพระพุทธเจ้าอ น, นี้ยังไม่พระพุทธปฏิมาแต่ว่าพระคุณของพระองค์สองทิพเนศมองเหตุผลของการบำเพ็ญความดีของชาวพุทธมีอะไรก็ท่านช่วยเหลือเถออย่างนี้มันมันอาจกินตจโย เราวิสัยของสาวโกไม่ควรคิดความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาเป็นอารจินตายูเราบำเพ็ญในได้ทำจิตในเป็นสมาธิเท่าคนแสงระหว่างกับปรากฏในใจของเราเองเหมือนไฟฉายอะแต่เราไม่เป็นไมาสามาจะทำให้ไฟมันเกิดขึ้นได้แต่เราไม่รู้วิธีการ แต่เราวิธีการประยดียงมันมีทำไมสว่างขึ้นมาได้เนีกำหนดจิตกูบาอาจารย์ทำจิตให้เป็นสมาธิโรคไปแค่เจ็ดโรคหายได้แต่จิตเป็นสมาธินะกำหนดพลังของธรรมะเข้าไปแก้โรคภัยในกาให้เรามีพลังขึ้นมากอาทำสมาธิ สมาสมาทินสมาทินตรยังกำลังของสมาธิเจตโตปุรยาณรู้จกกักจิตของผู้ทำอะไรพระองค์ทรงออกผู้นี่มองเหมือนอย่างหลวงปู่เทศหลวงปู่บุญญาฤิ์เทศหรือสีประชาชนทำถนนยังไม่เสร็จ นึกสีมัโหได้พิจารณาโนปชาทนเขาทำไปก็น้เกิดตั้งทำถนนใ้เพื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรนามามทีบังคนพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงทรงพิจารณาโอผู้นี้จะเป็นนอนอพุทธะจะเกิดขึ้นในอนาคต ยังพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันเนี่ยแล้วดูสิปรารถนาว่าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเ่นกับพระองค์นี่แหละเพื่อจะรู้สัตว์ขนสัตว์เพื่อแสดงธรรมให้สัตว์พ้นจากทุกข์นี่ความปรารถนาที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงประนามเพียงจึงพิจารณาดูว่าผู้นี้แต่นาคต ท่านว่าสามเศนนี้ก็เคยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดแต่แต่องค์อๆเท่านั้นก็เสียสงไข่หมากับคิดเดียสงไขยหนึ่งกับหนึ่งเอาป้าขามาบาดหน้ากรองเท่ากับเท่านั้นกับจึงเกิดพุท ธ, ธะหมายความว่าศาสนามันธรรมะมันปรากฏแต่ตัวพุท ธ, ธะ ผู้ชี้นำในการนั้นจะบางเกิดขึ้นผมจคลจงตัวเป็นประบรมครูเป็นครูสอนโลกในโลกนั้นมันดำเนินตามพระองค์เดินตามคำสอนของพระองค์จึงโลกจึงพ้นจากทุกข์ตามมาโลกมันทุกข์ มันทุกข์เพราะไม่ได้แก้ถึงจุดของตัวเหตุว่าอะไรมันตัวทำให้เกิดความทุกข์เราท่านทั้งหลายไม่ได้ใครคนอื่นทำให้เกิดความทุกข์ตัวเหตุคือตัวคิดเลตท่านเรียกว่าสมุทยัย ก็สมุทัยท่านว่าให้แก้โดยมักมักที่จะนำดวงจิตของบุคคลผู้นั้นห้พ้นจากทุกข์ตามขั้นตอนของคำสอนในทางศาสนาดังนั้นว่าเหมือนต้นไม้ตัดไปตัดไปไปถึงรากแก้วถอนรากแก้วแล้วไม่เพอก็ตาย คีเรศก็เหมือนกันถอนเอาวิชากันแล้วมันก็ตายไปเองตัววิชาเป็นบกแบบแท้วที่เราให้อยู่เป็นทุกข์อยู่ในนี้เราเป็นทุกข์ในทางเรื่องความเป็นมนุษย์เราทําความดีแล้วแต่มีด่างแก้วจะไปเกิดอีกมันก็สุขบ้างทุกบ้างมันค่าพลกันไป ในเมื่อเราเห็นแก้งแทงตโล т, ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ให้ทุกข์ครอบมาันไม่ให้ความมือดปกคลุมมุ่มบ่ดวงใจเราแล้วฉะนั้นความมืดคือความปกคลุมมุ่งบ่ดวงใจของเรานั้นท่านุประมาเหมือนกับลูกไก่ที่อยู่ในฟองไก่ถ้าออกมาจากลูกไก่มันเจอบฟองได้ก็เห็นโลกอันตราการตาเป็นอย่างเป็นธรรมดาของโลกเป็นความจริงของอย่างนั้น ฉะนั้นเราถึงตั้งใจภาวนาเพื่อกล่าวธรรมโปรสมควรที่เป็นอุบายที่ให้เราเดินไปสู่ความพ้นทุกข์เราบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปเพื่อให้แก้ไขในแวดเราทุกข์ได้แก้ได้รักษาได้เหมือนนแพทย์ จึงต้องเยียวยารักษาให้เป็นความจําเป็นตรงานานายแพทย์ต้องเยียวยารักษาเพราะว่าตัวธรรมะคือตัวยาพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ธรรมะเป็นยาของพระพุทธเจ้าจึงรักษาโรคหายตามขั้นตอนของหลักธรรม